พุทธธรรมเฉพาะภาพรวมธรรมะนิพนธ์ในสมเด็จพระพุท ธ, ธโคษาจารย์ปออปยุตโตจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่สองสิงหาคมพุท ธ, ธศักราช 2,562 บันทึกนำในการพิมพ์เฉพาะภาพรวมหนังสือพุทธธรรมนี้อธิบายหลักธรรมสำคัญสำคั ญ, คญแยกเป็นบทบท แม้จะได้จัดกลุ่มรวมบทเหล่านั้นเป็นพักคแต่ผู้ศึกษาที่ไม่คุ้นกับหลักธรรมเหล่านั้นมามากพอก็อยังเชื่อมโยงเนื้อความให้ได้ความเข้าใจเป็นภาพรวมที่ชัดเจนได้ยากผู้เขียนคิดไว้านานแล้วว่าจะหาโอกาสเขียนความนำเรื่องหรือบทเสริมเพื่อไว้ช่วยให้เกิดความเข้าใจดังว่านี้แต่เวลาก็ผ่านไปผ่านไปกับงานหนังสือที่มากมายและเร่งรัดไม่อาจคาดหมายว่าจะมีโอกาสนั้นเมื่อใด เรื่องเป็นมาอย่างนั้นจนถึงปีพุทธศักราช 2,562 นี้ทางมหาวิทยายลัยเอเชียอาคนเนได้แจ้งขออนุญาตแปลและจัดพิมพ์หนังสือพุทธธรรมฉบับเดิมเป็นภาษาอังกฤษผู้เขียนคำหนึ่งว่าถ้า ง, งานแปลเสร็จสิน้นและได้พิมพ์เผยแพร่แล้วต่อไปภายหน้าเมื่อผู้เขียนทำส่วนเพิ่มเติมที่คิดหมายไว้นั้นเสร็จการที่คณะผู้แปลชุดเดิมนี้จะมีโอกาสหันมาแปลส่วนเพิ่มเติมนั้น ก็จะเป็นไปได้ยากแล้วฉบับแปลนั้นก็จะไม่สมบูรณ์เรื่อยไปอีกอย่างหนึ่งหนังสือฉบับแปลนั้นจะเผยแพร่ออกไปกว้างไกลภายนอกที่ผู้อ่านส่วนใหญ่ไม่มีพื้นความรู้เข้าใจพระพุทธศาสนามาก่อนเมื่อเขาแรกพบก็ควรได้อ่านหนังสือที่จะให้รู้จักพระพุทธศาสนาได้ง่ายแต่เริ่มต้นเมื่อมองเห็นอย่างนี้ จึงจำเป็นที่จะต้องเขียนบทตอนซึ่งหมายใจไว้นั้นให้ทันที่จะแปลวรวมไว้ในหนังสือฉบับที่มหาวิทยายลัยเอเชียแคเนเอขอแปลและจัดพิมพ์ร้อมทั้งพักงานหนังสือเร่งด่วนเรื่องอื่นๆทั้งหมดไว้ก่อนประโจว่าใกล้ๆกันในช่วงเวลานี้มหาวิทยายลัยเอเชียแคเนเอได้แจ้งขอพิมพ์หนังสือพุทธธรรมฉบับเดิมเป็นครั้งที่สองของมหาวิทยาลัยและอีกด้านหนึ่งก็แจ้งขอพิมพ์หนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยาย เป็นธรรมทานในเดือนเมษายน2562ันั้นด้วยเมื่อเรื่องราวมารวมลงในจังหวะเวลาอันกระชั้นใกล้ชิดอย่างนี้ทางมหาวิทยาลัยเอเจอาคเนก็ได้ตกลงว่าจะรอไว้ให้ส่วนที่เขียนเพิ่มเติมนั้นเสร็จพร้อมก่อนจึงจะพิมพ์รวมในหนังสือพุทธธรรมทั้งสองฉบับสองขนาดนั้นให้เป็นหนังสือที่ถือว่าสมบูรณ์ไปด้วยกันในคราวเดียวและจะรับกันกับฉบับแปลภาษาอังกฤษต่อไปด้วย เรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นเหตุผลสำคัญในตัวเองที่ผู้เขียนจะต้องเร่งเขียนความส่วนเพิ่มเติมให้เสร็จสิ้นโดยเร็วดังที่เพิ่งสาเร็จในบัทนี้สรุปว่าส่วนที่ตั้งใจไว้ว่าจะเขียนเพิ่มเติมคือความนำของภาคหนึ่งและภาคสองเมื่อสาเร็จได้เป็นดังนี้ภาพรวมมัจเจนะธรรมเทศนาฉบับเดิม19หน้า ฉบับปรับขยาย11หน้าภาพรวมมัชฌิมาปฏิปทาฉบับเดิม24หน้าฉบับปรับขยาย14หน้านอกจากนี้ได้เกิดมีผลพลอยได้ทั่วไปตั้งแต่จัดดัดแปลงทํารูปเล่มใหม่ได้ตรวจทานคร่าวๆตลอดเล่มโดยเฉพาะที่สําคัญในตอนต้นของภาคสองคือมัชฌิมาปฏิปทาได้ตั้งเรื่องระบบของมัชฌิมาปฏิปทา คือระบบของมัค ก, กับระบบของตรายสิกขาขึ้นมาเทียบเคียงกันให้เห็นชัดขึ้นนอกจากนั้นได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆทั่วไปทั้งนี้รวมแล้วทำให้จำนวนหน้าหนังสือของพุทธธรรมฉบับเดิมเพิ่มขึ้น71หน้าจากเดิม375เป็น446หน้าและพุทธธรรมฉบับรับขยายเพิ่มขึ้น36หน้า จากเดิม1330เป็น1366หน้าโดยในยะนี้หนังสือพุทธธรรมที่มหาวิทยาลัยเอชียอาคเนจะจัดพิมพ์ครั้งใหม่คือพุทธธรรมฉบับเดิมพิมพ์ครั้งที่38และพุทธธรรมฉบับปรับขยายพิมพ์ครั้งที่22่สิงจึงเป็นฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมที่เป็นเก้าใหม่อันสําคัญพร้อมกันนั้น ภาพรวมทั้งสองภาคที่เป็นส่วนเพิ่มเติมนี้ก็มีความสมบูรณ์ในตัวมันเองซึ่งเมื่อพิมพ์รวมไว้เป็นหนังสือเล่มพิเศษต่างหากก็จะเป็นบทนำเข้าสู่หนังสือพุทธธรรมได้ดีและเหมาะที่จะมอบให้แก่ท่านที่มีหนังสือพุทธธรรมอยู่ก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นพุทธธรรมฉบับเดิมหรือพุทธธรรมฉบับรับขยายเพื่อเป็นส่วนเสริมเติมเต็มของหนังสือเก่าที่มีอยู่ก่อนนั้นขออนุโมทนามาหาวิทยายลัยเอเจียอาคเน ที่ได้บำเพ็ญบุญทางการศึกษาอันสำคัญยิ่งซึ่งเป็นเหตุนำให้ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในหนังสือพุทธธรรมดังได้เล่ามานี้และอนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมใจเกื้อหนุนขอทุกท่านจงมีปีติปราโมทย์ในธรรมทั่วกันลงชื่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุท์โต24สิงหาคมพุทธศักราช2562 สำหรับหนังสือทุกเล่มโดยเฉพาะในชุดพุทธธรรมอาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติมได้ตามโอกาสรวมถึงในหนังสือจะมีหมายเหตุแผนภาพและ อ, อื่นอื่นอีกมากที่ไม่สามารถนำมาทำเป็นเสียงอ่านได้ทั้งหมดนะครับผู้ต้องการศึกษาควรติดตามดูข้อมูลล่าสุดในเว็บไซต์วัดญาณเมศกัณขอให้ใช้เสียงอ่านนี้เป็นเพียงความเบื้องต้นในการเข้าใจภาพรวมหรือเวฟฟังทบทวนเท่านั้นนะครับ ขออนุโมทนากับผู้ร่วมจัดทำทุกท่านที่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ให้เกิดสิ่งอานชุดนี้ขึ้นมาขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพร่วมอีกดังนี้เข็มทองโพคาพาณิชยวลักษ์คงคาสุวรรณอรวรัตจตุรัตวัฒนากูลครอบครัวทรงพลครอบครัวสเลาหอมวิชารมนธทาทิพกุลปัญญากโกจันอุณพินสุกลึงพ่อบุญมีกองสิงห์จินวงนายะธนพันธ์สุดถลวง เลินพิษประโภ ร, ร่วมกับอีกหลายท่านดูได้จากเครดิตท้ายเรื่องและในรายละเอียดทุกช่องทางที่จมรมผลดีเผยแพร่และขออนุโมทนากับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับเผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุ ญ, ญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นห้ามดัดแปลงแก้ไขเด็ดขาดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง